เวลาเราปฏิบัติธรรมให้มันใส่ใจอยู่กับการประกอบเหตุหรือทำเหตุให้เกิดขึ้นให้ใจเรามัน่นใส่ใจอยู่ตรงนั้นอย่าไปสนใจผลนผลนั้นมันเป็นเลือกอนาคตและผลมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุ เราชาวพุทธเนี่ยเราไม่เชื่อว่าผลนี่จะเกิดขึ้นโดยไร้สาเหตุหรือว่าเกิดขึ้นจากการดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่มันเกิดจากเหตุที่มีอยู่และในการปฏิบัติธรรมเหตุนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็อยู่ในอำนาจของเราที่จะประกอบมันขึ้นมา เหมือกช่างไม้นะช่างไม้นี่ถ้าจะต่อตู้ต่อเก้าอี้เนี่ยสิ่งที่เขาควรใส่ใจคือว่านะเอาไม้ที่มีเอาชิ้นส่วนที่มีมาประกอบไม่ต้องสนใจผลถ้าประกอบถูกนะตามแบบแผนนะมันก็ เกิดผลขึ้นมาเองถ้าเราไปใส่ใจผลนะมันก็ทำให้เราใจไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วนะไปอยู่กับอนาคตการประกอบเหตุการทำเหตุให้ดีนะอันนี้คือการที่เราอยู่กับปัจจุบันหรือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดถ้าหากว่าเราทำถูกนะ ผลมันย่อมเกิดขึ้นเองมันเป็นอื่นไปไม่ได้ถ้าประกอบเหตุให้ถูกต้องแล้วเนี่ยผลมันทนอยู่ไม่ได้มันต้องออกมามันก็เหมือนกับตอปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้เนี่ยสิ่งที่เราควรทำก็คือว่า เ, ออเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ ถูกต้องนะเลือกเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงหรือตรงกับความต้องการของเราหลังจากนั้นนี่ก็กดดินนะใส่ปุ๋ยรดน้ำแล้วก็มีการบังแดดให้มันบ้างอันนี้เราประกอบเหตุส่วนมันจะโต เร็วแค่ไหนมันจะออกดอกออกผลเพียงไรอันนี้มันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราถ้าเราไปห่วงไปพรวงหรือว่าไปเร่งไปเร่งนี่หมายถึงว่าเร่งที่ใจนะเร่งในใจว่าเมื่อไรมันจะออกดอกสักทีเมื่อไรมันจะออกผลสักทีเมื่อไรมันจะโตสักทีเราก็ทุกข์เปล่าแล้วเสียเวลาแทนที่จะเอาเวลาไปไป จดจออยู่กับผลนะเรามาประกอบเหตุดีกว่านะทำเหตุให้ดีแล้วผลมันก็จะมาเองมันก็เหมือการเดินทางกันนะถ้าเราขึ้นรถถูกคันหรือว่าไปถูกเส้นทางแล้วเนี่ยถ้าเดินทางไม่หยุดมันถึงแน่ นะสิ่งที่เราควรใส่ใจคือว่าขับรถนะหรือว่าถ้าเป็นการเดินก็เดินอย่างต่อเนื่องถ้ามันถูกสายถูกถนนนะมันถึงแน่ไม่ว่าจะไกลแค่ไหนขอเพียงแต่อย่าหยุดแ็แล้วกันหลวงพ่อคำเขียนเคย พูดอยู่เสมอนะสมัยก่อนว่าเนี่ยอย่าไปถึงก่อนเมื่อมันถึงนะฉันใช้ว่าอย่าไปถึงก่อนถึงนะหมายถึงว่าใจเราเนี่อย่าไปสนใจเป้าหมายหรือว่าไปคิดถึงผลก่อนที่ผลมันจะปรากฏออกมาท่านพูดมันจะถึงก็ต่อเมื่อมันถึงนั่นแหละอันนี้เพื่อเตือนใจนักปฏิบัติเพราะว่านักปฏิบัติ หลายคนพอปฏิบัติไปก็จะถามอยางนั่นแหละว่าเมื่อไหร่จะเห็นผลสักทีนะทำไมปฏิบัติมาเป็นวันเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่เห็นผลนะอันนี้เรียกว่าตานี่ใจนี่มันไปอยู่ที่ผลละให้เรามั่นประกอบเหตุนะอันนี้ต้องใช้วิริยะความเพียรแล้วก็ต้องรู้จักคอยด้วย งก็ปลูกต้นไม้เนี่ยนะเราต้องรู้จักคอยเราลดน้ําพ่ดินแล้วนะสิ่งที่เหลือคือการคอยเราปฏิบัติทํามนี่ต้องรู้จักคอยแต่ว่าไม่ใช่คอยเป่านะเราก็ทําไปด้วยประกอบเหตุไปด้วยลองฝึกใจของเราให้อยู่กับการประกอบเหตุให้ดีถ้าเราจําสํารวจตรวจสอบใครควรก็มาดูว่าเออเราประกอบเหตุถูกต้องไหมเระวางใจได้ถูกต้องไหม เรปฏิบัติได้ถูกต้องหรือเปล่านะอย่าไปสนใจใส่ใจกับผลว่าเมื่อไหร่มันจะออกมาสักทีพระอารหันเนี่ยท่านมีชื่ออีกอย่างนึงว่าเป็นผู้ที่ปราศจากความหวังเป็นผู้ไม่มีความหวังนะซึ่งต่างจากคำว่าคนสิ้นหวังคนสิ้นหวังนี่หมายถึงคนที่ ชีวิตมันตกต่ำนะพุทธเจ้าก็เปลี่ยนเมื่อเรียกเรียกคนที่ไม่มีศีลนะว่าเป็นคนสิ้นหวังก็คือว่าหมดหวังที่จะชีวิตจะมีความเจริญก้าวหน้าไดนะ้ไม่สามารถจะหวังอะไรได้เลยเพราะว่าสิ่งที่ทำนั้นเนี่ยสิ่งที่ปฏิบัตนะิมันสวนทางกับสิ่งที่ควรจะเป็น พระเจ้าเรียกคนมีศีลว่าเป็นคนที่มีความหวังมีความหวังว่าจะเจริญก้าวหน้าจเจริญ ง, งอกงามได้ส่วนพระอรหันต์ที่ท่านเรียกว่าเป็นผู้ที่ปราศจากความหวังคือไม่มีความอยากนะและอยันก็เพราะว่าท่านมุ่งที่ประกอบเหตนะุอยากจะให้เกิดอะไรขึ้นมาท่านก็ประกอบเหตุนะทำหให้ ด, ดีนะ แล้วท่านก็รอให้ผลมันออกมาเองไม่ใช่ไม่มัวแต่ชะเง้อคอว่าเมื่อไหร่มันจะออกมาสักทีเวลาท่านปลูกต้นไม้นะนท่านก็ลดน้ำพลนดินใส่ปุ๋ยนะท่านไม่ต้องไปห่วงไปกงังวลว่าเมื่อไหร่จะโตอันนี้เป็นวิสัยของพระอรหันต์นะเป็นผู้ที่ปราศจากความหวังนะมุ่ง สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ดีเท่านั้นก็พอถึงแม้เราจะเป็นแค่ปุถุชนนะแต่เราก็ฝึกใจให้อยู่กับเหตุอยู่กับปัจจัยได้นะก็คือสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ดีผลเนี่ยมันไม่อยู่ในอำนาจของเราไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะควบคุมได้มันมีภาษาจีนทขาบอกว่าความพยายามเป็นของมนุษย์นะความสาเร็จเป็นของฟ้า ความสำเร็จเนี่ยคือผลนะคำ ว, ว่าฟ้านี่มันหมายถึงว่าขึ้นอยู่กับการโดนบันไดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเปล่าแต่หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยต่างๆมากมายที่อยู่นอกเหนื อ, อความการควบคุมของมนุษยนะ์มนุษย์เราทําได้เพียงแค่ทําความเพียลหรือประกอบเพล น, นะส่วนผลนี่ มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยมากมายซึ่งบางอย่างก็อยู่ในอำนาจของเราที่เราจะจัดการได้แต่บางอย่างมันก็ไม่อยู่ในวิสัยของเราเช่นจิตเนี่ยนะจิตมันไม่ใช่เป็นเราเป็นของเรามันเป็นอนัตตาเราก็เพียงแต่ว่าประกอบเหตุให้ดีคือการเจริญสตินะฝึกจิตเอาไว้ส่วนผลจะเป็นยังไงคนในวิเศษจะเกิดขึ้นหรือไม่ปัญญาจะเกิดขึ้นหรือไม่ มันไม่ได้อยู่ที่ความต้องการของเราถนะึงแม้ไม่ต้องการแต่ว่าถ้าประกอบเหตุให้ถูกต้องมันก็เกิดผลขึ้นมานะผู้ที่ทำความเพียนนะแม้ไม่อยากจะหรือแม้ไม่ต้องการจะให้อาสวะหมดไปนะแต่ถ้าทาความเพียนได้ถูกต้องอาสวะมันก็หมดไปเองอย่าง หามไม่ได้อันนี้ผู้เจ้าเคยตรัสไว้ว่าอาสวะมันจะหายไปหรือไม่มันจะหมดไปหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่ความอยากของเรามันขึ้นแต่มันขึ้นอยู่การปฏิบัติไม่ได้ขึ้นอยู่ความอยากด้วยเหตุนี้พระอรหันต์ท่านก็เลยวางความอยากซะวางความหวังซะแล้วท่านมามุ่งที่การกระทําตามเหตุตามปัจจัยให้ถูกเหตุถูกปัจจัยนะ เดี๋ยวมันก็มาเองเดี๋ยวผลก็เกิดขึ้นเองแต่ว่านักปฏิบัตินะส่วนใหญ่นะก็ทําไปก็จะมองไปข้างหน้าแล้วว่าเอ๊ะผลมันมาหรือยังเกิดขึ้นแล้วยังนะก็คอยคอยรุนคอยอ ย, อยากอยู่นั่นแหละซึ่งก็ทําให้ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นความท้อแท้มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าเฝ้าแต่ถามตัวเมื่อไหร่มันจะ ได้ผลสักทีเมื่อไหร่สติมันจะงอกงามสักทีเมื่อไหร่จะเห็นผลสักทีนะเสร็จแล้วก็เลยท้อทีแรกก็ทำด้วยความตั้งใจเรียกว่าทำด้วยความปรารถนาแรงกล้าคือมีไฟนะแต่พอไฟมอด น, นี้ก็ท้อง่ายให้เราเนี่ยนะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการกระทำสิ่งที่จะช่วยให เรามีความเพียรพยายามไม่ไม่ไม่หยุดง่ายๆก็คือฉันทะนะฉันทะคือความชอบนะอันนี้มันตรงข้ามกับตันหาฉันท่านี่ชอบทำแต่ตันหานี่อยากได้ฉันทะก็เป็นความอยากเหมือนกันนะคืออยากทำํำส่วนตันหานี่อยากได้เราลองถามใจตัวเองว่าเวลาเราปฏิบัติทำเนี่ย ไอ้ตัวไหนที่มันเด่นนะอยากทําหรืออยากได้นะหลายคนนี่อยากได้ไม่อยากทํานะแต่ว่าเพราอยากได้ก็เลยจําเป็นต้องทําทําด้วยความจําเป็นมันก็เลยเป็นทุกข์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือเป็นการปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่แต่เมื่อใ่ก็ตามที่เราอยากทํำนะนะก็จะเกิดความสศก ข, ขึ้นมาและความเพียรมันก็มาเอง อย่าเอาความหวังเป็นตัวผลักดันให้เราปฏิบัติธรรมนะแต่เอาฉันทะนี่แหละเป็นตัวขับเคลื่อนนะตื่นขึ้นมานะทำไมเราอยากถูฟันนะเพราะเราเห็นว่ามันมีประโยชน์วันไหนตื่นมาแล้วไม่ไม่ได้ถูฟันอาจจะเพราะไม่มีน้ำนะหรือเพราะว่าแปรงสีฟันมันหายไปหนูคาบไปเนี่ยอันนี้เราเริ่มจะ ไม่มีความสุขแล้วถ้าเรามีชันทะในการอาบน้ําในการถูฟันนะมันก็ทําให้เราทําอย่างนี้ขึ้นมาเราก็สามารถจะถูฟันได้ทุกวันอาบน้ําได้ทุกวันโดยที่ไม่ต้องมีใครบังคับเราแล้วเราก็จะไม่สนใจเลยซ้ําว่าผลมันเป็นยังไงนะเพราะว่าเราถูฟันเราตั้งใจถูฟันจริงๆนะเราตั้งใจนั่นจริงๆ ก็ไม่ห่วงไม่พวงว่าผลมันจะเป็นยังไงเพราะเรารู้แน่ว่าเออถ้าเราตั้งใจทูกมฟันเราตั้งใจนะมันออกมาดีแน่ให้การเจริญสติของเราเนี่ยมันคล้ายๆแบบนั้นแหละคือว่าวันไหนตื่นขึ้นมาแล้วเ อ, อ้เราก็อยากจะเจริญสตินะเราก็อยากจะภาวนานะไม่ต้องมีใครมาบังคับนะมันมีฉันทะที่จะทําฉันทะทาให้เกิดความสุข ความสุขก็เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงการปฏิบัติธรรมของเรานะไม่ใช่ให้ความหวังนะมาเป็นตัวผลักดันหรือเป็นเครื่องล่อนะให้เราปฏิบัติธรรมอันนั้นมันเรื่องอนาคตนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะก็คือว่าทำแล้วเนี่ยมีความสุขทำแล้วนะมีความยินดี อันนี้เรียกว่าเป็นความสุขระหว่างการปฏิบัติไม่ใช่ไปรอความสุขหลังจากปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้วก็เหมือกนการทํางานนะหลายคนทํางานเพราะว่าหวังความสุขข้างหน้าอันนี้เราหวังน้ำบอลหน้าหวังว่าเออจะมีเงินแล้วมีเงินแล้วก็จ ะ, ะได้ไปเที่ยวนะมีรถยนต์มีบ้าน ก็เคี่ยวก็เลยเคี่ยวเข็นตนเองให้ทํางานหามรุ่งหามค่ําหวังความสุขข้างหน้าหรือบางคนก็หวังแค่ว่าทําวันนี้ก็เพื่อว่าจะหวังความสุขในหวังว่าจะได้จะถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ไปไวย์นึกถึงวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วจะได้หยุดงานหลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะกับการบวชของตัวนะเออก็ ก็หวังว่านะเมื่อออกพรรษาแล้วนี่เราก็จะได้เที่ยวนะศึกไปแล้วเราก็จะได้เที่ยวก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะก็เรียกว่าทนทูซีอยู่นะวันแล้ววันเล่านะเพื่อหวังว่าเมื่อออกพรรษาละึกหาลาเพศไปเราก็จะได้ไปเที่ยวไปหาความสุขทีถ้าคิดแบบนี้มันทุกข์นะทุกข์ในระหว่างที่ วันนั้นยังมาไม่ถึงนะแต่ทำไมเรต้องทำใจให้ทุกแบบนั้นด้วยเราก็ควรจะมีความสุขทุกวันมีความสุขในปัจจุบันขณะก็คือการสร้างนะันท่าให้มีขึ้นนะถ้าเรามีความสุขทุกวันทุกวันนะเราก็จะไม่คอยลุ้นนะว่าหรือไม่คอยนับถอยหลังว่าเมื่อไหร่จะ นะถึงวันออกพรรษานะเมื่อไหร่จะถึงวันเสาร์วันอาทิตยนะ์เมื่อไหร่จะเงินเดือนออกนะเพราะว่าเรามีความสุขกับการทำงานชันะะนั้นก็ฉั้นนั้นเราก็สามารถจะมีความสุขกับการปฏิบัติได้แต่หากว่าเรามาปฏิบัติแม้ว่าจะไม่มีคุนวิเศษใ ด, ดๆเกิดขึ้นเลยนะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าแค่เรามีฉันทะเราสามารถที่จะปลูกฉันทะให้เกิดมีขึ้นได้อันนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะเพราะว่ามันหมายความว่าเมื่อเราศึกไปแล้วนะหรือว่าเรากลับบ้านไปแล้วไอ้ฉันทะนี่ก็จะเป็นตัวผลักให้เรานะให้เราปฏิบัติได้ต่อไปนะอย่างต่อเนื่องเพราะมันกลายเป็นความชอบของเราเสียจแล้ว เราทำแล้วมีความสุขนะไม่ใช่ว่าจะมีความสุขต่อเมื่อเกิดผลแต่เรามีความสุขทุกขณะเมื่อได้ทาอันนี้เป็นอ น, นิสง์ของชันทะแล้วม่ททำให้เราทำไม่หยุดนะถ้าเราทำไม่หยุดแล้วแม้จะทำเล็กทำน้อยนะมันก็ถึงจนได้นะอย่างมีนักปีนเขาคนนึงนะเขาเขาก็ปีนเขาข้ามไปถึงยอดนี่ มาเยอะแยะแล้วเขาที่สูงที่สุดในทุกทวีปรนทั้งเอเวอเรสต์ซึ่งสูงที่สุดในโลกนี้เขาก็ไปถึงยอดมาแล้วแล้วเขาก็มีบทเรียนอย่างหนึ่งว่าเขาได้ข้อคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมักดูน่ากลัวความเป็นจริงเสมอนะเมื่อมองจากที่ไกลนะเช่นเวลาเ้ามองเขาอยู่ตีนเขาเขมองไปที่ยอดเขาเนี่ยโอ้ยดูมันไกลเหลือเกิน บางทีแค่เห็นยอดเขานี่ก็ท้อแล้วเพราะรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะกว่าจะถึงเขาก็ชันนะแต่ว่าเขาเพราะว่าเขาพบเคล็ดลับของการปีนเขาว่ามันง่ายนิดเดียวนะคือว่าแค่สนใจพื้นดินใต้ฝ่าเท้าแล้วก็เดินไปทีละก้าวทีละก้าวถ้าเดินไม่หยุดถึงแน่นะมันง่ายกว่ากันเยอะนะระหว่างการ มองไปที่ยอดเขาแล้วก็ใจก็ฝอเพราะรู้สึกว่ามันไกลมากอีกต้องนานนะอันนั้นอันหนึ่งกับการที่สนใจพื้นดินใต้ฝ่าเท้าแล้วก็เดินไปทีละก้าวทีละก้าวนะถ้ามีความเพียรไม่หยุดนะมันถึงแน่นอนนะแล้วก็ระหว่างที่เดินก็ใจก็ไม่ท้อด้วยนะเพราะว่าจุดหมายนี่มันอยู่แค่แต่ละก้าวแต่ละก้าวเท่านั้น มีฝรั่งคนหนึ่งแกก็มีนิสัยแปลกนะคือเป็นพวกที่ชอบเดินไต่ลวดนะในที่ที่วิบากหรือที่อันตรายโดยเฉพาะเดินไต่ลวดระหว่างตึก2ตึกตึกสูงในในประเทศต่างๆแกก็เคยเดินมาแล้วแล้วก็มีความใฝ่ฝันนะว่าอยากจะไปเดินไต่ลวดระหว่างตึก -2 ตึก นะซึ่งตอนนั้นกำลังสร้างก็คือตึก World Trade นะตึกแฟน์เวิลด์เทรนะตึกนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่เหลือแล้วนะเพราะว่ามีผู้ก่อการร้ายเอาเครื่องบินไปชนขับเครื่องบินไปชนตึกเนี่ยที่เป็นข่าวใหญ่โตเมื่อ11กันยายน12ปีที่แล้วแต่เมื่อ 30-40 ปีก่อนเนี่ยนะตึกนี้มันเพิ่งสร้างเสร็จนะเขาก็มีความฝันว่าเขาอยากจะไต่ลวดที่ขึงระหว่างยอดตึกสองตึกนี้ตึกมันสูงมากนะประมาณสี่รอเมตรก็ครึ่งกิโลนะแล้วพอตึกมาเริ่มสร้างเสร็จเขาก็แอบนะเข้าไปในตึกนั้นตอนกลางคืนพอสว่างนี่เขาก็เริ่มปฏิบัติการนะเขาก็เอา อาธนูเนี่ยนะยิงขึงเชือกเพื่อให้เชือกเนี่ยมาไปไปไปขึงระหว่างตึกสองตึกพอเชือกตึงแล้วนะมันไม่ใช่เชือกมันเป็นลวดนะพอลวดมันตึงแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มเดินไม่มีอะไรนอกจากไม้ยาวๆนะเพื่อเลี้ยงตัวระยะห่างระหว่างตึกสองตึกมันก็ประมาณสองรอยเมตร ตึกแฝดมันอันตรายมากนะพอเขาเริ่มเดินเนี่ยนะเริ่มเดินไปสักพักก็มีคนเห็นข้างล่างมีคนเห็นนะเฮ้ยมีใครอยู่บนยอดกําลังเดินไต่ลวดอยู่ก็ไปเรียกตํารวจมาตํารวจก็รีบขึ้นมานะที่ยอดตึกนั้นแต่ตอนนั้นเขาเดินไปไปไกลแล้วตํารวจก็รอให้เขาเดินกลับมาเ้าเดินไปถึงยอดตึกแล้วเขาก็เดินกลับมา เห็นตำรวจมาเขาก็ไม่ยอมลงเขาก็หันหลังแล้วก็เดินต่อกลับไปเดินต่อเขาทำอย่างนี้อยู่ประมาณเจ็ดแปดเที่ยวใช้เวลาอยู่บนลวดเนี่ยประมาณสี่สิบห้านาทีโดยที่ไม่ตกลงมาเลยนะจกนกระทั่งเขาเบื่อแล้วนะเขาก็เลยยอมมอบตัวกับตำรวจคือลงมาจากลงมาจากลวดนั้นก็เป็นข่าวใหญ่นะมีนังสือพิมไปถามเขาว่าเขาเดินได้ยังไง ก็บอกก็ไม่มีอะไรมากก็ผมก็สนใจแค่ขยับก้าวเท้าทีละก้าวคนนั้นละนะคือเขาไม่สนใจยอดตึกที่อยู่ปลายทางนะเขาสนใจแค่เดินทีละก้าวทีละก้าวนะฟังดูง่ายนะคือถ้าเขาไปสนใจปลายเชือกนะหรือยอดตึกเนี่ย เขาอาจจะใจกระเพื่อมหรือถ้าเขาหมอไปข้างล่างมันก็ยิ่งหน้าหวาดเสียวแต่ว่าเขาไม่สนใจเลยนะเขาสนใจเพียงแค่เดินไปทีละเก้าทีละเก้า ค, คล้ายๆกับนักปีนเขาคนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยอันนี้แหละนะมันก็คือการอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะบางทีชีวิตของเราเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการเดินบนเส้นลวดนะการไต่ลวดชีวิตคนเราเนี่ย จริงๆมันก็ไม่ตายจากการเดินไตรุวดนะเพราะว่าเรามีโอกาสตายได้ทุกเวลาถ้าเดินพลาดก็ตายตกลงมาตายแล้วเราก็คงก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าคนเรานี่ตายได้ทุกเวลาพุทธเจ้าตรัสว่านี่ให้เจริญมรนณกสติอยู่เสมอเสมอกับว่าสามารถจะตายนะได้ทุกเวลาหายใจเข้าแล้วอาจจะไม่ได้หายใจออกหายใจออกแล้วก็ไม่ได้หายใจเข้าหรือ กินข้าวอยู่เดีย่ยวไม่ทันกินหมดแลวก็จะตายได้คนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถจะอยู่จนถึงอตอนค่ำแล้วตายอันนี้ก็ยังประมาทนะไม่ต้องพูดถึงคนที่คิดว่าโอ้ฉันจะอยู่ได้อีกหลายปีเพียงแค่คิดว่าเนี่ ย, ย, ยตอนเช้าตอนนี้เป็นตอนเช้า แล้วคำนี้ฉันอาจจะตายอันนี้ก็ยังถือประมาทอยู่หรือว่าคิดว่าฉันกินข้าวถ้ากินข้าวหมดก็อาจจะตายได้ก็ประมาทอยู่ที่จริงขณะที่เคี้ยวข้าวนี่ก็อาจจะตายได้เพราะฉะนั้นในการตายมันสามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาชีเราก็เลยไม่ต่างจากการเดินไต่ลวด เราแม้จะมีจุดหมายปลายทางนะที่ยาวไกลแค่ไหนแต่สิ่งที่เราต้องใส่ใจคือว่าทำแต่ละขณะแต่ละขณะให้ดีนะก็คืออยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดและการเจริญสติเนี่ยมันก็เป็นการฝึกนะเพราะว่าถ้าใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีความทุกกการปฏิบัติเราก็จะเครียดเราก็จะกังวลนะ เราก็จะทอ้อแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันให้ดีนะวางความคาดหวังต่างๆลงนะผลมันจะเป็นยังไงนะก็เอาไว้ก่อนแล้วก็รู้จักคอยได้อย่างที่พูดไว้ว่าวันวั น, วนเมื่อวันสองวันก่อนว่าเนี่ยให้การเจริญสติก็ไม่ต่างจากการตักน้ำด้วยกระชอนให้เต็มแก้วนะ มันใช้เวลานานนะกว่ามันจะเต็มแก้วถ้าคอยไม่เป็นถ้าใจร้อนนะก็จะทําไปทุกไปทําไปก็เครียดไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเราคอยได้หรือไม่คิดจะคอยได้ซ้ําคือทําไปเรื่อยๆนะการปฏิบัติทำเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งก็เรียกว่าไม่ต้องคอยแล้วหรือว่าถ้าเราทําได้อย่างได้มากแนละ้วคือไม่ต้องหวังนะแต่ว่า ทำตลอดเวลาประกอบเพด้วยความเพียนตลอดเวลาไม่หยุดแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้ทำเพราะมีชันทะนะก็ไม่ต้องห่วงนะไอ้ผลที่ที่ผลมันย่อมทนอยู่ไม่ได้นะมันย่อมเกิดขึ้นเองในที่สุดนะให้ระวังใจแบบนี้ให้ได้นะและการปฏิบัติของเราเนี่ยก็จะ เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องเนะมื่อการเดินทางไกลมันจะไกลแค่ไหนจะร้อยกิโลพันกิโลหมื่นกิโลใจอยู่กับปัจจุบันแล้วเราก็จะเดินทางไกลได้ได้ด้วยความสุขนะไม่มีเรื่องทต้องกังวลนะขอเพียงแต่เดินไม่หยุดสักวันหนึ่งก็ต้องถึงแน่นอนเอาลก็คำนีพูดกับท่านนี้นะกราบร